ขันทาศูชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำฮวนเสาแหงค่าอาสาหละหบูชาเนื่องในระยะการเข้าขันศานี่นั่นอาจจะมาตั้งใจจะบรรยายทำบรรยายที่เป็นชุดสักชุดหนึ่งเรียกว่าชุดคู่มือที่จำเป็นจะต้องมีในการศึกษาหรือในการปฏิบัติธรรมะก็ตามที่แล้วมา รู้สึกว่ามันจับโซนทุนเวียนแล้วก็บางอย่างก็ยังไม่รู้บางอย่างก็รู้เกินไปเรีย <c> ก <oughs> ว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องหรือไม่สมดุล <c oughs> จึงพยายามนึกคิดว่าแต่วิญญาณธรรมดาชินี่ให้เป็นคู่มือที่ถูกตรงกับความมุ่งหมายเพียงพอและง่ายแก่การศึกษา <c oughs> เพราะท่านทั้งหลายพยายามสนใจทำความเข้าใจให้ดีๆและมาเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ที่สุดและคุ้มค่าเป็นราด้วย คุณมีดีเฮมีหลายเรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือ <c oughs> หัวข้อว่าสิ่งแรกที่จะต้องรู้จักนั่นคือความทุกข์ <c oughs> ต้งดูดีๆไหมความว่าสิ่งแรกที่สุดที่คนเราจะต้องรู้จักน่าจะมาศึกษาเราเรียนปฏิบัติกรรมฐานภาวนาในพุทธศาสนานั้นสิ่งแรกที่สุดนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ถ้าไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์มันก็ไม่รู้จะทางต้นกันอย่างไรไม่มีปัญหาก็ะจะตัดสังอะไร ไม่มีโรคภัยกายเจ็บจะไปาหาหมอหรหาการเยียวยารัตษาทำไมสิ่งที่จะต้องมีปรากฏอยู่ในใจก็คือสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์มันเป็นสิ่งแรก <c oughs> ท่านอาจจะรู้สึกด้วยตนเองก็ได้ว่าความทุกข์ความทุกข์หรืความทุกข์เป็นอย่างไรแต่มันคงจะไม่สมบูรณ์ <c oughs> มหมดดังนั้นจึงทำให้ผ <c oughs> ู้อื่นช่วยบอกให้ข <c oughs> อนี้ก็ตรงกับการพระพุทธภาษิที่ว่าแต่ก่อนนู่นปร ด, ดีด๋ยนี้ปรเดี๋ยนั้นทศกัณฐ์บรรยัติแต่เฉพาะเรื่องความทุกข์กัเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นฟังดูสิพระองค์ตว่า จะบรรยากาคือผู้ถือกล่าวถือ ส, สอนและนำแสงตั้ ง, ลงและกระทำจะเรื่องทุกข์ก็เรื่องความดับทุกข์มันจะมีความทุกข์มาเป็นเรื่องแรกแล้วก็ควรจะําหรับเรื่นนี้ดีๆแล้วจะมีหัวขอ้ขอมัวข้อี่ น, นึ่งม่าสิ่แรกที่สุดที่จะตั้มรู้จักก็คือความทุกข์ถ้าเป็นกินรู้จักเองก็ได้เอารู้จักหมดก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่รู้จักมันก็ฟังดูว่าควรจะมองอะไรในลักษณะที่ว่าเป็นทุกข์นั่นอย่างไรบางทีมันถึงจะกลับกันดูก็ไม่เห็นสุขเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นสุข แต่โดยแท้จริงแล้วเหอนทุกเห็นสุขเป็นทุกนั่นนั่นก็คงเห็นโง่เกิ น, กนไปนี่จะเห็นทุกเป็นสุขนั่นแหละมักจะมีโดยมากที่นีแรกที่สุดที่จะต้องรู้จักนั่นคือความทุกข์นเราจะมองกันในแง่นี้ก่อนว่าถ้าไม่มีความทุกข์อยู่ในหมูสัตว์โลกนี้ก็ไม่ต้องมีพุทธศาสนาพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าในโลกมนุษย์ไม่มีความทุกข์ก็ไม่ต้องมีพุทธศาสนา หรือว่าไม่ต้องวิ่งมาหาพุทธศาสนามาศิลปามาปฏิบัติด้วยเหตุที่มันมีความทุกข์อยู่ในหมู่มนุษย์งงนั้นก็จําเป็นที่จะต้องมีสิ่งที่จะแก้ไขความทุกข์นั้นนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่นเองท่านจะดูกดันตามประวัติศาสตร์มันก็พูดได้ว่าเขารู้จักความทุกข์กันอย่างไรเขาหาทางแก้กันอย่างนั้นเขารู้จักความทุกข์กันเท่าไรมากเท่ า, ทาไรเขาหาทางแก้กันทางนั้นเขารู้จักความทุกข์กันสูงหรือต่ําอย่างไร แกแ้กันได้เพียงเท่านั้น <c oughs> จนกว่ามันจะดีขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมากขึ้นจนจนจะรู้ <c oughs> จั ก, ก, จกความทุกข์ถึงที่สุดจริงจริแล้วก็ดับความทุกข์ได้ถึงที่สุดจริงๆไม่มีเหลือ <c oughs> สําหรับให้ตําแต่อะไรต่อไปอีกมันเป็นมาอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> นั่นคือที่ปรดูสักทีที่เรียกว่าศาสนาศาสนาอที่แบามีอยู่สําหรับแก้ไขความทุกข์ระดับทุกข์นั่นคำนี้ถือ่าตามตเล่นซือไม่ได้แล้ว คำว่าศาสนาเป็นคำสั่งสอนมันมีแต่สั่งสอนได้นั้นก็มีการปฏิบัติที่ถูกต้องทางคำสั่งสอนปฏิบัติจนถึงจุ่สุดระบบปฏิบัติทั้งหมดนั่นเรียกว่าศาสนาเพราะว่าเรามีเนภาษาทยอย่างนั้นจะงงหรือจะตลาดสุดแท้เถอเราใช้ว่าศาสนากันในลักษณะอย่างนั้นแต่ที่ถ้าศาสนานั้นมันตรงกับคำว่าประมุขกันืีการประพฤอย่างเต็มเชิที่สุดที่มันดับทุกได้เราจะต้องมีประมุนั่นแหละเป็นศาสนาให่รับทุกได้ไม่ใช่เพียงแต่คสั่งสอนที่พูดหรือว่าที่มันว่ากันเด คุณมันลั่นไปหมดก็ไม่รู้ความหมายที่มันซ่อนอยู่ภายใต้เสียงซึ่งส่งเสียงเอตโรไปหมดเราละให้ถือเป็นว่าไอาศาสนานั้นคือคการปฏิบัติตัวดับทุกข์ดูจักศาสนากันมาตั้งแต่ต้นจะดีกว่าคือความรู้สึกที่กลัวความทุกข์หรือความตายก็ได้แม้กระทั่งสู้กับกันไปตามความรู้สึกที่นิดนั่นแหละคือตัวาศาสนาดังนั้นมันจึงมีอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณคืออินสติ้ง หาที่มันเกิดขึ้นได้เองรู้สึกขึ้นมาได้เองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสิ่งที่มีชีวิตให้สิ่งที่มีชีวิตมีสัญชาตญาณหลายอย่างหลายประการคือในการต่อสู้เพื่อให้รอดในสัญชาตญาณอันแรกคือสัญชาตญาณความกลัวกลัวจะตายอยานกลัวจะเกิดตายอย่างนี้ก็มีสัญชาตญาณในการต่อสู้แย่ไข้ายตรอดถึงสัญชาตญาณในการวิ่งหนีเพื่อความปลอดภัยจะเป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นไปเพื่อความรอดแล้วก็เรียกว่าเป็นระบบศาสนาได้แค่นั้นแหละดูแต่ว่านกหนูปูเปียวงูกบแย่ท่ มันแล้วมัแรงอะไรต่างๆมันรู้จักวิ่งหนีรู้จักต่อสู้เมื่อต้องสู้พขาต้อให้มันรอดนี่ไม่ต้องมีใครซ้อนมันเกิดได้เองสัญชาติยานอันนี้มีอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าสัตว์มีชีวิตซึ่งรู้จักตัวมันรู้สึกจะอยู่จะรอดมันก็รู้สึกต่ออันตรายที่จะมาทําให้ตายมันสูญสิ้นไปที่มันจึงมีการกระทําตามแบบของมันเปิดควบดูรูว่ารู้จักคุดรูเท่าแล้วก็มีวิธีที่จะวิ่งหนีลงรูแล้วก็รอดตัวไปหรือว่ามันอยู่บน ต้นไม้มันมีวิธีวิ่งนี้ขึ้นไปบนต้นไม้โดวยวิธีต่างๆกันแล้วแต่ว่าสัตว์นั้นๆมันจะเป็นอย่างไรจนกระท่งมาเป็นสัตว์พิจชาาขึ้นมาหรือเป็นมนุษย์ก็ทำมาเป็นมนุษย์มันก็ยังไม่ละการกระทําอันนี้การที่ทําให้เชื่อว่ารอดนี่เป็นระบบเกิดขึ้นตามแบบของตนของตน ข, ข, ข, ของสัตว์นั้นๆนี่คอยทุกคนมองสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นว่ามันตั้งต้นที่มาจากจุดตั้นต้นที่สุดคือสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดเมื่อ <c oughs> อย่างนี้มันจะมีควเชื่อ นักเลหาบ้าบอลจะด้อย่าว่าแต่ทัดได้ลักษณะเลยไม้ต่ต้นไม้นี่มันยังมีระบบการเอาตัวรอดต่อสู้ดินรดน้ำอย่างเพื่อให้รอดเพราะมันไม่อยากจะตายารโง่ฉันถึงขนาดไม่รู้ว่าต้นไม้นี่มันก็ไม่อยากจะตายเังเขาถือวาเป็นคนที่โง่ที่สุดแหละจะเรกเราพูดหยาบคายก็ได้จะพูดอย่างนี้าไม่รู้แม้แต่ต้นไม้นี่ก็มีความรู้สึกินตนเพื่อจะรอดเพว่อเอาตัวรอดแต่เราต้องศึกษากันละเอียดจากน้อยไมรู้ว่าแม้แต่พืชพันธุ์พืชาชาติใหญ่น้อยทั้งหลายก็มีระบบการต่อสู้เพ เราจะทำอย่างไรได้มันอยู่ในระบบตามอย่างนั้นท <c oughs> ี่นี้มั น, มนคิดกันมากกว่านั่นเป็นศัก์เป็นศักิ์ที่สูงขึ้นมาจะลาขึ้นมาจะเป็นที่เรียกว่า <c oughs> เป็นคนหรือเกือจะเป็นคนเป็นเอฟเป็นแม่ใ น, นการมันก็ต้องมีวิธีการที่สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาตามความคิดนึกคิดนึกได้มากออกไปอแต่ว่าสัญชาตญาณนการนี้ัยมก็ยังอยู่นั่นแหละนั่นมันจึงจ้องกขจัดในความรู้สึกนั่นออกไปคนป่าขั้งแรกรู้สึกกลัว่าธรรมชาติมันน่ากลัว จะเป็นฝ้าผ่าฝ้าร่อง ห, หรืออะไรก็ที่หนักทัวทุกอย่างเลยมันก็ต้องมีวิธีที่จะระงับความกลัวมันก็รลบโยนสังซ้อนกันไปตามเรื่องเพื่อไม่ต้องกลัว <c oughs> มีพิธีอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นเพื่อแก้ความกลัวเท่านั้นเองนะก็ตายไปได้บ้าไม่ได้บ้ า, ไางไตามเรื่องของมัน <c oughs> ถ้ามันยังไม่ใช่ความจริงถ้าจริงแต่มันก็ต้องมีมีระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อรับะนับความกลัวของเขาต่อมันที่สูงขึ้นไปถึงกว่าไม่สช่แค่นักกลัวตามธรรมชาติหรอกนะมีผีมีวิญญาณขับศีลมีผีอะไรสิงอยู่ในนั้น มันจะเลยมีพิธีที่ทำใหสูขึ้นมาแต่ว่านานั่นมันมีพีสักติดในแม่น้นี่มีสติในภูเขานั้นมีสักติในต้นไม้ในีมีสัติดทาในอมวมีีสักติดมันก็มีวิธีทาให้แก้ความกลัวเรานั้นมันจึงเกิดพีต่างๆน้นเพื่อบูชาบูงอ่อนร้อนับความกลัวแล้วก็มันได้บ้านไม่ได้บ้าไปตามรื่องมันก็ทำให้หากลัวเพราะความชื่อหันมันก็เลยติดติดเป็นหลักเป็นอะไรขึ้นมาพักหนึ่งยุคหนึ่งสมัยหนึ่งแห่งหนึ่งไปตามเลื่องของมัน ในนั้นมีเทวดาอย่างนั้นมีเทวดาอย่างนี้บนามีเทวดาอย่างนั้นในมหาสมุทรมีเทวดา่านี้ที่เขานั้นมีเทวดาอย่างนี้นาานในลมในอากาศในไฟในน้ำมันก็ต ม, มีเทวดาเอาก็จะเปลี่ยนวิธีการใมร่ <S <S มันเป็นเทวดาลศ า, าสน า, าที่ซื้อเทวดามีสิ่งหน้าระจันได้คิดไม่ออกก็ต้องเมาเปในเรื่องของผีของเทวดาที่มันจลาขึ้นฉลาขึ้นมันจะมีพระเจ้าดีกว่าเทวดาธรรมดาสูงกว่าเทวดาธรรมดามีพระเจ้าอย่างนั้นมีพระเจ้าอย่างนี้มีพระเจ้าในแผ่นดินมีพระเจ้าในอากาศมีพระเจ้าในท อย่างนี้มีปรากฏอยู่ในเรื่องราวในวัตถุโบราณในรัฐที่ต่างๆนั้นนะพระอาทิตย์มีก็เป็นพระเจ้าพระจันทร์ก็เป็นพระเจ้าพระอะไรก็เป็นพระเจ้าจนนับไม่ไหวเ <c oughs> นอาแต่ทีสำคัญสำคัญไ ม, ไม่ทีองค์ก็มันเป็นหลายองค์นี่นแหละ <c oughs> ก็เป็นศาสนาที่มีพระเจ้าหลายองค์ถือกันวายุคหนึ่งสมัหนึ่งในทีแห่งหนึ่งแต่มมามันฉลาขึ้นจนรู้สึกว่าพระเจ้านันมีองค์เดียวพอพระมันจะทําอะไรได้ทุกอย่างะก็คือแบกตัวออกไปถือพระเจ้าเป็นองค์เดียวแล้ว <c oughs> นี้มันยังมีเหลืออยู่ศาสนาที่ถว่ามีพระเจ้าหลายองค์หลายอย่างแต่คยเีดว ศาสนาฮินดูของกีกง่างมีพระเจ้าหลายองค์เเล้วสู้พระเจ้าองค์เดียวไม่ได้มีเพียงพระยะโควาองค์เดียวกระอาราองค์เดียวพระยะองค์เดียวนอเดีก็มีพระเจ้าองค์เดียวศางนาที่ก็มีการบูชาพระเจ้าองค์เดียวจนนี้มันยังไม่สุดนั่นก็มีคนชาติพิสัปถึงว่าพระเจ้าองค์เดียวนี่ไปช่วยอะไรไม่ได้ต้องการจะมีความรู้นิเรื่อนตัวตนออกมาเสจากโลกออกมจากโลกนี่แล้วไปมีตัวตนอันนี้ันดอนที่ไหนก็ตามไปรมีตัวตนนี่รันดอน แล้วที่ว่ามีสิ่งที่เป็นนิรันดร์ครับไปถึงที่นั้นแล้วอยู่นิรันดร์ไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายอ้าวอย่างนี้ก็ถือเป็นศาสนาสูงสุดเป็นอยู่ภาคหนึ่งที่แห่งหนึ่งในยุคแห่งหนึ่งในยุคลูกึงต่อมาอันสุดท้ายก็คือว่าไม่เอาแล้วจะมีตัวตนนิรันดร์อย่างนั้นไม่เอาแล้วไม่มีตัวตนดีกว่าว่าแต่ตัวตนไม่ต้องมีปัญหาเมื่อไม่มีตัวตนแล้วปัญหาจะเกิดแต่ใครความทุกข์จะเกิดแต่ใครนี่คือหลักคุตตศาสนาชิมมัสสอนในรู้ไวารดับทุกถึงที่สุดสิงที่สุดจริงนนนนนนััััั้้้คคคคคคืออออววววววววาาาามมมมมมมมมมไไไ่่่่ตตตตตตตตตงงงีีีีีิิดดกกููข มีแต่ตามธรรมชาติธรมชาติล้วนๆคมีปลายแบบใจพ่พอแล้วก็ทําอะไรได้ทุกอย่างใจเห็นไหมรู้สึกว่ามีตัวตนได้จริงมันจะหลุดต้นจากปัญหาทังกลุ่มเขาว่าปัญหาหรือความทุกข์นั่นแะมันจำเป็นมีอยู่ที่ตัวตนถ้าไม่มีความรู้สึกควาตัวตนปัญหาหรือความทุกข์ก็ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่เกิดก็ว่าเราเนี่ยถ้าไม่มีตัวมีตนอะไรใครจะคาดตีเราได้ถ้าเราไม่มีตัวตนใครจะมาด่าเราเจ็บเราไม่มีตัวตนนั่นสักบทออกไปเสียด้วยความไม่มีตัวตนหรือว่างจากตัวตนเรียกว่าเป็นนิพพานว่างจากตัวตนนบย ยอบมันใหญ่สามารถจะคิดหลักระบบศาสนาให้สูงไปกว่านี้อีกได้แลพูดอย่างนี้ในฐานะทรป็นบริษัทคนฟังเขาก็จะคิดว่าพูดเอาเองพูดการเข้าตัวเองพูดเอาเกลียวก็ตามใครับแต่ถ้าไี่เราสังเกตมาตลอดเวลาเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้คอรู้ว่าไอ้ศาสนานั้นมันเป็นอย่างนี้ช่วยขจัดความรู้สึกที่เป็นความฟุบออกไปได้หมดซึ่งมีร่างฐานอยู่บนความกลัวกลัวอะไรกัวตายกลัวเจ็บกลัวบัทุกข์อีกเลยมื่อใดที่ใดใครมาถือไหว้ดับทุกข์ได้พอใจถืออย่างนั้นมันก็เป็นศาสนาของเขาแบบนั้นแบบนี้ไป มนุษย์ควรจะถือได้ถึงที่สุดเดี๋ยวไปเพียงงอกระสับเดรัจฉานอยู่เลยเดรัจฉานมันคิดไม่ได้มันก็มีเพียงแค่นั้นจนมาลายนี่มันก็มีอยากจะับทุกข์ดับทุกข์เพียงแค่นั้นีงมาเียมีอากาศช่วยห้อยู่ได้ก็แล้วกินนเพียงแค่นั้นก็พอแล้วแต่มนุษย์มันไม่พอมคิดมากกว่านั้นมัน้พิตอไจนถึงระดับที่ว่าไม่เคยรู้สึกเป็นทุกข์เป็นปัญหาในระบบศาสนามันตั้งต้นขึ้นมาจากสัญชาตญางมันต้องจรงจีมีชีวิตของตนน่า็นล็นของ เรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อจะดับทุกข์เรียกว่าศาสนานี่ให้ดูถือเรื่องกรดูเรื่องสักหน่ออีกสักหน่อยว่ามันยังมีทางที่จะมองเห็นระดับที่ต่ำกันอยู่ในระหว่างศาสนาหลายระดับนี่หลายระดับเนี่ว่าศาสนาบางพวกบางกลุ่มนะใช้ความเชื่อเป็นหลักเชื่อแต่ว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เชื่อเชื่อเชื่ออย่างสุดชีวิตใจเลยเอามันก็ดับความกลธไได้ศาสนาทั่วไปอาศัความเชื่อเป็นที่พื้นนี้ผมมีอะไกายความเชื่อทางปรัชญาศาสตรทั้งหลายแม้แต่พระเจ้าไม่ยอดของปรัชญาศาสตร โดยอาศัยคามเชื่อในพระเจ้าแล้วก็จะพ้นจากความทุกขึ์พวกนี้อาศัยความเชื่อเป็นหลักเมื่อเขาไม่เป็นทุกข์ก็พ อ, พอใจก็ได้ที่พวกหนึง่งถือการบังคับจิตเป็นหลักทําสมาธิทาวิปัสสนาอะไรก็รตามบังคับจิตให้รู้สึกแต่อย่างนี้ไม่ให้รู้สึกอย่างนั้นให้รู้สึกนในทางเมตตากราุณารู้สึกที่ไม่เป็นความทุกข์แล้วทบังคับจิตเป็นอย่าง น, างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้การก่อาตายไปเขาไปเโลกเป็นเปโลกอยู่กับโลกชาววันเขาก็ไม่มีความทุกข์ได้เหมือนกันเพราะการบังับจิตทีนี้พวกีคนที่สาพวกสุดท้ายเห็นว่า ใช้ปัญญาอำนาจปัญญารู้ถูกต้องตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอะไรอย่างไรแล้วปฏิปทาถูกต้องตามนั้นแล้วก็ามจริงทุกมีเราพวกอาศัยปัญญาเป็นที่พึ่งพวกอาศัยศรัทธาเป็นที่พึ่งก็เ ก, กิดการรรวมว่าศรัทธาทิกะมีศรัทธาเป็นใหญ่พวกที่อาศัยกาลังจิตเป็นที่พึ่งก็เรียกรวมว่าวิทยาทิกะอาศัยวิริรยนะเป็นใหญ่การกระทําเป็นใหญ่ที่พวกที่อาศัยปัญญาเป็นหลักเกีเยงปัญญาทิกะอาศัยปัญญาเป็นที่พึ่งตราฐานหลายตราฐานทั้งหลายจะมีอยู่ที่สิาในโลกนี้มันจะอยู่ในสามกลุ่มนี้ทท่านั แล้ประกอบการริษัทบาคนจะรู้จักตัวเองว่าเราอยู่ในถุงที่สามถุงพิถีพิถัปัญญาพิปะอาศัยปัญญาเป็นหลักทีนี้ถ้าจะมองดูแบบหนึ่งเป็นทางว่าบ้างอ่ะบางทีเอาผลเอาผลของเหน่อยการจะทำเนี่ยมาเป็นหลักแบ่งแยกในศาสนาเหล่านี้ก็ทงได้พวกหนึ่งพวกผู้แรกพวหนึ่งก็มุ่งผลเป็นตามเป็นตามได้ความสุขอย่างตามตามความรู้สึกของสัตว์ตามอัญสัตว์ทั่วไปได้ตามตามที่พอใจเนี่ยก็ถือเป็นการได้ที่เพียงพอที่มันคือศาสนาเอาตามเป็นจุดน้อยหลายทางก็พวกนีง มีความทิสาุสที่ไม่เกี่ยวกับการแต่ยังเนื่องกันอยู่กับรู ป, ปรธรรมรูปธรรมที่บริสุทธิ์เป็นหลักเป็นเครื่องมรชีวิตเนี่ยก็พวกหนึ่ง็เรียกว่าพวกรูปมีพวกหนึ่งสูงขึ้นไปเอาสิ่งที่ไม่มีรูปมาเป็นหลักยึถือปฏิบัติประโยชน์พวกหาลูปสูงสุ ด, สสดสกักนไปตามแบบของตนพวกสุดท้ายเอาการอยู่เนื้อสิ่งลนี้ทั้งหมดเลยเอาระเป็นหลักเนี่ยเรียกว่าพวกระก็ได้แต่พูดกระตัาอีกเหมือนกันพพิสวกข้ามเป็นหลักในเ่างดีมันไม่รู้จักอะไรมากไปกว่านั ทังหมดเวลาเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ไอ้พวกกามเนี่ยกา ม, มาวัชรูมีจิตใจยย่งไปหากล้ามีกามเป็นสิ่งูดแม้จะยเไปพูดเนที่เป็นตำราก็ทำใจเถิดแต่ท น, น, นรู้สึกไม่ถึงในเรื่องของชาสนานั้ น, นย ใ, ในกามไดามรอร่อยสท ง, องทางนทางนั้นกูเป็นพวกือศาสนากามแนั้นนะัน จ, จะจักรนเป็นูนที่เป็นตำราก็ไ่ค้นไปจากือศาสนาวกามที่าว่ามันงประนั่นเอาวัตถุล้วนๆเป็นที่บ้างเป็นีถือไม่ดูชา ก, กา ม, มก็ ถ้เดินตืไปอีกมันก็สิ่งที่ไม่ใช่รูปเป็นหลักมันก็เอาบุญอกุณนหน่อยอะไที่ไม่ใช่รูปที่ไม่ดีรูปเป็นหลักอ้าวไปเดินนไปนนั้นนะที่จะภาถนาความยูนเนื้ออิทธต่างๆในโลกคามก็ไม่เีดเบียนรูปไม่เียดเบียนอารูปก็ไม่เียดเบียนนะยูนเนื้อโลกราเนี้ทั้งหมดเป็นโลกุตระนี่เป็นจุดหัวใจของพุทธศาสนาเรียกว่าอยู่เนื้อโลกเทนี้ก็พอแล้วเรัสิ่งจิตวิสานาที่มนุษย์เรามีอยู่สาหรับเป็นเคื่อนดับทุกทีเราก็จะมาแยกดูเฉพาะส่วนท ความจริงของธรรมชาติเป็นหลัก <c oughs> ปัญญาเป็นหลักรู้เห็นความจริงของธรรมชาติเป็นหลักรู้ว่าความทุกข์คืออย่างไรความทุกข์เกิดมาจากอะไรแก้ไขต้นเหตุ น, น, น, นั้นเสียนี่จึงมาเขารูกวิธีตั้งหัข้อเป็นต้นว่าสิ่งแรกที่สุดที่จะต้องรูจ้จักนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ ungen. รู้จักตัวความทุกข์เป็นความทุกข์กแล้วก็จะค่อยๆรู้ไปถึงเหตุ ข, ของมันแล้วก็กำจัดต้นเหตุเสียกัะทุกด้านทีนี้มาพิจารณาดูแลมันยังน้อยเกินไปยังรู้จักความทุกข์น้อ้อยนไปรูจักรู้จจััักกนควาามโงง่ขอตรู้ปญญ ควง่ความโมง่บอกอะไรเป็นทุกคนนะเป็นทุกใครบอกอย่างไรก็ไม่เชื่อทุกคนมันเชื่อตัวเองแค่นั้นแหละว่าติิ่งมันรู้สกึกนึกมองเห็นอย่างไรมันจะเชื่อยอย่างนั้นแต่ จ, จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่เรามันรู้สึกมองเห็นตรงดิง้ไปอย่างนั้นก็เชื่ออย่างนั้นมันจะมีทางผิดิถูกกลับกันอยู่ <c oughs> ยนี้เราจะถือตามหลักของชาพุทธพาเราจะศึกษา พ, พุทธปฏิบัติอย่างพุทธจะได้รับผลอย่างพุทธเพราะคามหมของพุทธว่าความทุกข์นั้นคืออะไรด้วจากตัวความทุกข์การเสียคอแรกความรู้ส อย่างไรเมื่อปรากฏการอะไรปรากฏแปรจิตใจความทุกข์จึงจะมีขึ้นมาเนี่ยคอยดูอย่างนี้ที่เมื่อการดหรัพุทธศาสนาแล้ว่าเมื่อเกิดความรู้ว่าต่ออานาจต่อความหมาต่ออิทธิพลของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันนั่จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้ามีตีพญาถูกต้องมองเห็นในการเกิดความแก่ความเจ็บความตายว่ามีอิทธิพลแอะเขากำลังคุกคามอยู่อย่างไรเนมันก็เป็นความทุกข์จึงพูดว่าทุกข์เพราะความเกิดเพาะความแก่ระความเจ็บเพราะความตาย ที่จริงมันกอยู่ที่มันนะถ้าเราอยาไปกลัวมันนี่อยากไปรู้สึกกลัวมันมันก็ไม่มีอะไรแต่ยวนี้มันกลัวจะทำยังไงได้มันช่วยอไรได้หรมันกลัวมันกลัวเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายนั้นจึงเป็นความทุกข์นี่ควรจะรู้จักไวเป็นข้อสรุปว่าควา ม, มหมายิทธพลของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอย่ไแมลนครอบนำจิตใจเอาเรากเป็นทูกไปกิดทุกข์เรื่องความเกิดอธิบายยากเลยดูากว่าอธบาับิมิตาแต่ก็รู้แต่ที่คนต้องความเกิดเกิดมาโดยท้งแมตวามเกิดมาโดยความคิดุงแก่มาทานต่อตาม กามีตัวกูเหมือนัวกูากจะไม่ได้ตามตัวกูต้องการกูแตตายกูจะเป็นอะไรนี่เป็นเรื่องที่มาจากความเจริญนะจีนี่เห็นเมื่อมีอาการของความทุกข์ปรากฏออกมาอย่างที่จำแนกว้ในบาลีที่สุดกนอยู่ทุกวันมุนแอลวนคุณทองโซะปเปเทวาทุกขะพวมนั่าุการุ่ากในาศร้าศกความวายรำพันความทุกข์ใความทุกข์ใจทวาเกิดแ่งในใจอาการเหล่านี้เป็นตัวอย่างนนเป็นอาการแห่งความทุกข์เป็นลักษณะแห่งความทุกข์เป็นรูปแบบแห่งความทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็เรียงอาการแห่งความทุกข์เป เดี๋ยวกร้องให้เดียวคือัแห้เดี๋ยวกีอบบคือว่าเดี๋ยวแห้งผากอยู่ในใจนี่เป็นอาการของความทุกข์มันก็รวมที่วันอยู่ในพวกของความทุกข์ที่จะํารู้จักนี่ก็ในชุดหนึ่งอะตู้หนึ่งอะที่นี่ตอนยังแยกให้เห็นง่ายๆประเด็นหนึ่งว่าเอาธาลุากจากของรักประสบกับข้าวกับข้ากับของไม่ไ ม, ไม่รักเม่ปราดนาสิ่งใดแล้วก็ไม่ได้สิ่งนั้นนี่ก็เป็นหลักจที่มองเห็นได้ง่ายเราเป็นหลักทั่วไปถ้าจากสิ่งที่รักไม่กอธิบายเยร้องหก็สีน้นี่ัมากมา เมื่อประสบพบเข้ากับสิ่งที่ไม่รักที่เป็นความศกษาดูเกลีชัมันก็เป็นาเลเป็นความทุกข์ที่ปาญนาอย่างไรก็ไม่ได้อย่างนั้นเป็นความทุกข์นี่เห็นได้ง่ายที่สุดเอาสามคำนี่อะไรเป็นครื่งจับตัวความทุกข์ถ้าอยากสิ็นที่รักเชิญเข้ากับสิ่งที่ไม่รักอยากได้อย่างไรก็ไม่ได้อย่างนั้นนี่เป็นตัวความทุกข์ใเราไปยังรีมันไม่ได้เราเราอยากมีของรักมันมีของรักมันก็ต้องต้องรปรากของรักสิ่งที่เกลียดก็มีอยู่ในโลกเรต้องมีความยุ่งยากลบากใจแล้ต้องพบกันเข การปรทนั้นมันหยุดไม่ได้มต้องเป็นทุกไปตามแบบนั้นนี่เป็นชุดที่สามที่จะดูจากการทุกข์ที่อันจุดท้ายชุดที่สี่สนที่เจาหน้าทันจิตวาทานักขันทาทุกขาพระพุทองค์รว่าเมื่อกราวโดยสรุปยอ่อสั้นที่สุดแล้วเป็นจะขันที่มีอุปาทานเป็นตัวทุกข์นี่เป็นที่สรุปเป็นคาสรุปเป็นความสาคัญมากเป็นหัวใจของพุทธศาสนามีวาทานในสิ่งใดก็เป็นทุกข์ในสิ่งทั้งหมดในโลกนี่ท่านแจกว่าเพียงด้าสิ่งพูดเวทนาสัญญาตัณฑ์มีญาณห้าสิ่งนี้พูดก นี่เขาเตือน อ, อย่างยิ่งมารูจา้จักกันากันเือเจะได้ศึกษาพุทธศาสนาได้โดยสะดวก <c oughs> แล้วระเดเราพูดเดิมนี้ออกมากที่สุดว่าความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนขึ้นมาในจิตใจนั่นแหละเป็นตัวทุกยึดมั่นรูปคือส่วนที่เป็นร่างกายยึดมั่นเวทนาส่วนที่เป็นความรู้สึกยึดมั่นในส่วนที่เป็นสัญญาความหมายมั่นการจาได้และหมายมั่นยึดมั่นในส่วนที่เป็นสังขารือความผิดความนึกจะทำอย่างนั้นอย่างนี้หรืออย่างนั้นอย่างนี้แล้ายึดมั่นในส่วนที่เป็นวิญญาณสำารับรู้จักสิ ที่เป็นรูปมีหนึ่งครูประแขงไปเป็นนามมีสเวทนาสัญญางการนรวมเป็นห้าเรียกว่าขง้าไยึดถือเป็นตัวตนขึ้นมาแทนที่จะเห็นว่าเป็นแขงห้าคือแทนที่จเห็นร่งการรังการจิตใจเวทนาปนิปีนเวทนานีมันทำไม้ันทำไม่เป็นมันยึถือเป็นตัวูเสมอยกขอยางนึงก็ว่ามีดป็นบาดมือมือนี่เป็นรูปกัแขเป็นร่างการมีดเป็นรูปกัขมีดันบาดมือแทนที่มันจะรู้สึกหรือพูดมีดบาดมือไอ้คนงงมันพูดว่ามีดบาดปู่จริงหรดอไม มันมีดบาดกูไม่ใช่ว่ามีดบาดมือถ้ามันมีดบาดมือมันก็แล้วกัิแต่เน้นเอามือเนี่ยมีดเดียวเนี่ยเป็นัวกูคนชีวิตถ้าว่ามีดบาดมือก็ไม่นิดหน่อยถ้ามีดบาดกูกูมันจะตายมันกาเป็นดื้อหน่อยขึ้นมาแวนี่ถ้าเจ็บที่มือมือมเจ็บม่่กูเจ็บจ็บตรงนั้นจะทำให้ตรงนั้นมันเจ็บนั่นอยากไปจ้บือมันอยากนักกว่ามือรู้ความจริง่หมนั้นมันเป็นกลุ่มเนื้อมีระบบกระสับอยู่ติดตรงนั้นถ้ามีอะไรไปทำปฏินัติตรงนั้ มือเจ็บมือเป็ดันหยัดเจ็บมันเป็นสมมือเป็นสมนสมติมันจะมีปัญหามันจะมีควา ม, กกมาทุกข์เราจันทร์จีดีเลยอมับหาหนังสือประพูเกิดมาจิตไหน่เป็นดทุกทีนั้นรู้สึกเวทนาจิตรู้สึกเวทนาเป็นตุกรู้สกกัเวทนาแทนที่มันจะรู้สึกกบิรู้สึกเป็นเวทนานอย่างนั้นอย่างนั้นถึงมาทานั้นมันไม่รู้สึกอย่างนั้นไอ้คุณง่ผมไม่รู้สึกอย่างนั้นมันกูเวทนากูเป็นกเวทนาเว้าดักเป็นกูเวทนาเป็นตัวรู้สึกกับเวทนาแล้วบางทีกับเวทนาเป มันไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ยควาคิดกป็นตัวกู่มันไม่รู้สึกวันเป็นเพียงความรู้สึกป็นสัญญาความคิดมันเป็นตัวกู่เป็นผู้สัญญาตัวกูเป็นผู้กระทำสัญญาคือเป็นผู้สัญญาเองรู้สึกมันหมายม่านอย่างนั้นอย่างนี้ทางาคิดนึกไมใน่คิดนามสิ่งมันแลมันรวแต่งคิดคิดนอย่างนั้นมันไม่คิดกูคิดคู้คิดเนี่ยโง่จะจเป็นกู้เสมอทั้งในสวนรูปในเวทนาสัญญาทังการตัญญาในตาเห็นรูปในคนโง่ลนีู่เห็นรูปมันจะระบบภาษาตามแต่ภาพรูปมันร ไม่เขียบบภาษาพูไรได้ินเสียงได้ก so ิน <These> ม <days> like? ุกได้ย oh ินมีระบบภาษาอะไรได้กินฟู่ฟู่ได้ยินกูริมรถไมรู้่ไมไ่ไ่ไมท่ไม่ไม่กาลิ่นรู้สึกตรถกูยิงนะกลายเป็นกูกูริมรถูรถข้ามผาทางเที่นังมาถูกขากับฟูยิงู่มผาทางเที่นังการรู้สึกทิี่มันใจมั้รู้สึกไปตามอารมณ์ที่มาแวะล้อมก็ฟู่ฟู่ฟูรู้สึกฟูคิดนิดทุกคนเข้าใจหลักพื้นฐานอันนี้ว่าถ้าความรู้สึกว่าเกิดขึ้นมาเมื่อไรจะเป็นทุก การเรรศึกษาครูเกิดขึ้นเมื่อไรก็เป็นทุกนี่คือวัตถยพุทธศาสนาที่พอพุทธริษัทมันยังไม่ได้ศึกษามองเห็นมันเพียงแต่ท่องเวทนารู้เวทนาปัญญานาารเป็นอย่างที่เป็นหนลุ่นๆเป็นอย่างไรที่ปาะานจับมีดแล้วเป็นอย่างไรมันมารู้สึกมันคอยเทียบเทียบเห็น hmm. ว yes, ่าถ้ามันรู้ส kind of ึกว่ามีดบาดนิ้วรู้สึกดังนั้นเป็นขันลุวนเป็นรูประรู้สึกเวทนาลุ่นๆเวทนารู้สึกแต่ถ้ามันมรู้มันไม่รู้สึกอย่างนั้นไมนรู้สึกมีดบาดกู้ไ รูปขันรุ่นรเป็นขันรุ่นรุ่เดี๋ยวทำให้อกูเขาไปแทนเสียก็กลายเป็นอุปาทานขันทุกอย่างเป็นอย่างนี้ทั้งรูปอดีเวทนาดีัญญาดีตขักอดีวิญญาดีถ้าเป็นเรื่องของน้มารูปรุ่นรุ่นตามกฎของธรรมชาติรู้สึกอย่างนั้นขันขันห้เกี่ยวกับขันห้าเรียกว่เรียกว่าปันจะขันขันห้าแต่ถ้าไอ้กูมันเขาไปแทนเสียแทนจะรู้สึกอย่างนั้นเลยมันกลายเป็นขันจูปารทานขันดังคำที่พระพุทธองค์ตรัสว่าขันขีเตนะขันจูปาร์ทานขันทาทุกขาขันจูปาร มันก็อยู่เพียงขันตะขันเฉยๆรู้ความที่พระพเจ้า ว, ว่าอย่างเป็นหลักเตนที่สุดท่าสังคิตเตนะบจุพาทานักันทานทุกขานั้นหมายความว่าอย่างไรพระเถรเนรชีสุดกันมากี่ร้อยขั้กี่พันขั้งแล้วออบทนี้สังคิตเตนะจุพาทานักันาทุกขา น, นรู้ความหมายอย่างไรถ้ารู้ความหมายนีถูกต้องแล้วมจะเปลี่ยนได้จะไม่ให้เกิดารรู้ถเป็นตัวกู้เจมีบาดนิว้วก็เป็นมีบาดนิว้วอยู่ที่ราบอานี่มันจะมีบาดกู้ถ้าอย่างนั้นมันจะรู้เรื่องบัจุพาทานักง ัจวทนขันธ์ก็จะไม่เกิดในในขันธ์ใดขันธ์จะไม่เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาไม่ว่าขันธ์ใดจะไม่เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราไม่ถึงตัวกู้ความทุกขก์ <c oughs> กงมงบสรุปรวมอยู่ที่ทธิมันขันธ์ั้าขันธ์ใดขันธ์หนึ่งเป็นตัวตนเป็นของตนไม่มีอะไรนอกจากขันธ์ขันหา้าแบ่งได้เป็นเพียงขนันธ์าในโลก้งโลกจะมีอะไรกลอย่างสแสนอย่างล้านอย่างมันปสรุปรวมอยู่ด้จะเป็นเพียงของห้าอย่างเท่านั้นขันธ์ห้าอย่างนั้นอย่างไรอย่างหนึ่งที่ผิเห็นตัวก็ต้องเร ทำไมขันห้าเป็นตัวตนเนี่ยจนพูดในพุทธศาสนาชาติในสอบกล้มาแล้วฝ่ายมหายานกลว่มหายานมหาสานก็ดีมันก็สอนหนึ่งนี่ในราวัฒเรานี่แต่ี่เราสอนหนึ่งนี้จะเป็นอย่างเซนพุทธศาสนาอย่างเซนมันก็สอนนึ่งนี่สอนหงตลัดในการรู้สึกตัวตนตัวตเอาไปจากันหแต่ที่มันมีความปียอที่สอนตามรอยอาจาอีกมากมายมหาสานสื่มของมั น, มนส่วนประกอบของมันมหาญาณย่มีมากถึงสุดเามีไม่ใช่น้อยรวัฒนก็มีแต่หัวใจแท้ๆนะจะตั้งมือเรื่องการเป็นผวหนอ่าร้ ถ้ามีามรู้สึกเป็นตัวกูของกูขึ้นมาการทุบตื้นไม่ได้การทุบตื้นไม่ได้เคยฟังไม่หน่อยถ้ายังไม่เชื่อก็ไปเคยฟังไม่หน่อยจำเอาไปคิดยังไม่ชื่อก็ได้นะถ้ามันมีความรู้สึกเป็นตัวกูแล้วมันเป็นทุบไม่ได้มันจะมีความรู้สึกเป็นตัวกูอยู่ในส่วนในส่วนหนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งชั้นใดชั้นหนึ่งอยู่เสมอไปทีนี้เราก็จะแยกดูให้เห็นว่ามันเกิดมาจากความรู้สึกเป็ตัวกูของกูอย่างไรเมื่อเรามีการเรียนหรือมีการงาน ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการีินไม่สำเร็จเป็นทุกการงานไม่สำเร็จเป็นทุกการเรียนการงานการอาชีพไม่เป็นไปตามที่ต้องการแลเป็นทุกเป็นทุกเพราะอะไรเพราะเราทำงานเป็นกองู้อาชีพเป็นกองผูตัวูเป็นผู้เรียนตัวผูเป็นผู้ทำทำนาไม่ได้อย่างนี้มันก็มาเป็นทุกอยู่ที่กู้กู้ทานาไม่ได้เรียนไม่สาเร็จนนี่มันก็เป็นทุกอยู่ที่กูที่เรียนไม่สาเร็จถ้าไม่มีความทุกเป็นตัวกูเข้ามานันก็เรื่องิทปฏิจัยเป็นไปตามเหตุตามปฏิจัยจมแบบของกิริยาปฏิกิริยาของธรรมชาเราน Collection collection ถูกทำร้ายถูกประจานถูกทรมานถูกอะไไงเราก็เป็นทุกข์รือยมาคนที่เรารักนะเคนนั้นเราถือว่าของกูเป็นส่วนของกูนันก็เป็นทุกข์วคนนถูกทุกข์ทำจบปวดถูกทรมานถูกประจานถูกงเงถูกโงคืนในการใช้หรือว่าเมื่อตัวเองถูกปอมร้ายรอบบ้านมองไปทางไหนเห็นเป็นตูไหมดก็เป็นทุกข์เรือมาถ้ามันเอาตัวครูไปตัวครูที่จะถูกทำรลายไปตัวครูเป็นเรื่องที่จะถูกทำร้ายหรือว่าเมื่อมีความกลัวอย่างกพีเลยเทวดากลัวข้าวกลัวโชคร้ายกวพรเจ้าอะไรต่าขึ้าม มันต้องมีความทุกข์ถ้ามันมีตัวครูกับเป็นเจ้าของรื่นถ้ามมีตัวครูกันเจ้าของเรื่องมันไม่จบ <laughs> มันไม่ต้องจบอะไร <h ums> ได้ข่าวร้ได้ข่าวเราลืมมาเป็นข่าวร้เดียวตอนน้นั่นตอนอย่างนี้น่จะเป็นข่าวลือไม่เป็นทุ ก, ท ก, ข, ท ก, ข, ทกข์นะต้องสางตัวครูขนมารองรับาข่าวลือหรือ <h ums> ว่ามัน เ, นเรืจริงขงจับได้มาทความผิดเขพิสูจน์เป็นจำเลยที่ทำผิดต้องตัวครูตัวเองจะขาดนัต้อมีตัวครูเป็นแกนอยู่ในนั้นมีตัวครูอยู่เป็นตัวจำเลยนั่นลงต้อง ห <c oughs> วังสิ่งได้ไม่ได้ตามที่หวังก็นอนแผ่นปักไก่หน้าผากมันมีตัวครูอยู่ในนั้นเมื่อไม่ได้ปัจจัยสีอย่างเพียงพอาอาหารคือมุ่งผมที่อยู่อาศัยคือใช้ไม้ซ้อนในเพียงพอมันก็เป็นทุกข์เพราะมันมีตัวครูที่ไม่ได้มีตัวครูที่น้อยหน้าว่าไม่ได้มันก็เป็นทุกข์เมืเ่อเป็นตะปิดในบ้านเรือนมันเป็นไปาตามกองการมันก็เป็นทุกข์เพราะมีตัวครูเป็นของรื่นเมื่อสุขผ้าปนามัยมันเสื่อมรู้ว่ามันมีทางแก้ขจะเป็นมะร็นี้มันมก็เป็นทุกข์เพราะมีตัวครู้อยู่ในนดดูีะ ถึงมันเชื่อแล้วมันชอบฟังก็ขอ้นัง่อไปได้รู้แว่ทีไม่ต้องเผชิญหน้ากับสัตรูที่มองเห็น่าไม่มีทางสู้ไม่มีทางสู้เลยมันก็เป็นทุกข์เพราะมันมีตัวคูที่จะถูกทาร้ายถูกฆ่าให้ตายอยู่สูญเสียชีวิตไปเม่อสิ่งที่รักก็จากไปอย่างที่ว่ามาแล้วทั้งตนมันก็มีตัวคูเป็นเจ้าของมากทจุดแล้วเมื่ออาวียวะของร่างกายน่ะไม่มีกาลังพอที่ทาการทางานมือตีนใช้ไม่ได้มือตีนเป็นตัวพภาพนั่นเป็นเพราะอย่างที่อาวียวะเพศเป็นตัวพิลภาพ มันถูกกำหนดในข้ยศแต่ผู้คนที่รักในเรื่องของความรักมันก็เป็นทุกข์มันก็เป็นว้าแล้วตัวกูเปนเดือดจัดมันถูกดูมีนินทามันก็โกมันก็ทุกข์มันก็ดิ้นรนกระวนกะวายเามันมีตัวกูเกิดมาเป็นผู้รักการอินทาว่ารายเมื่อโลกกระทำไฟอานิชารลมมาถึงข้าวันมันไม่ได้ร่าบแล้วก็เสื่อมยศแล้วถูกอินทาแล้วก็เป็นทุกข์โลกกระทำไฟอานิชารลครอบมัก็เป็นทุกข์เมื่อไฟอินชาลมมาล่อเรานั่นก็ไม่ได้อย่างที่ต้องการมันก็เป็นทุกข์ ก็มันมีมีจูบูเป็นชาของนามเมื่อประสบทีบัตรอุัติเหตุต่างๆนี่ก็เป็นทุกข์ก็มีตัวบู่เป็นปู่ประศพที่นี้นม่ละเอียดละเอียดถ้าจะยากยาก็ ม, มีอยู่เป็นหลายหลาชั้นเมื่อเกิดอกุศลวิตกใดๆเป็นอกุศลวิตกมันก็ต้องเนทุกข์นะก็บามคิดมันชั่วมันเป็นบาปเป็นอกุศลมันรู้มันมีราคะโทสะโมหะมานะเกิดขึ้นมันจึงเป็นทุกข์เลย้ามีตัวบู่เป็นปู่โลภะโทสะโมหะในที่สุดสุขามว่าเมื่อมันวังอยู่ด้วยอวิชชาอวิชชา มันไม่รู้ตามที่เป็นจริงมันก็ต้องเป็นทุกข์มันไม่รู้แม้แต่ว่าจะกินอย่างไรจะนอนอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรจะแก้ัหาอย่างไรเ็จภาษาอย่างไรมันผิดหมดมันก็ตํอเป็นทุกข์มันจะเลือกไปยายมาอีกสัก่ิยานก็สุดท้ายเถอะในังทุกข์ทั้งหลายมันไปร่วมอยู่ถึงที่ความรื้อว่าตัวกูกับของกูถ้าเรียกเป็นสุภาพกันหน่อยก็เป็นตัวต้นหรือเป็นของต้นต้นน่ตัวกูของต้นหน่คือของกูถี้เป็นบาลีเรกจะต้องไม่ออกมีคำว่าอย่างไรถ้าเรียกว่าอ ถ้าพูดป็นภาษาไยอย่างเร็วๆว่าตัวอู่ของกูมันเป็นสุภาพน่ยว่าตัวต้นหรือขต้นนี้ควาหมายเท่ากันความหมยเดียวกันความหมอันนียทําให้มันป็นทุกข์มันใอยสนใจเฉยความทุกข์ทุกอย่างมาจากความรู้สึกว่ามีตัวตนมีเป็นของตนอยู่ในเรื่องนั้นนั่งเสมอแล้วรืู้ว่ามีดมันบาดนิ้วมันก็ไม่เป็นไรถ้ามีดมันบาดกูแล้วมันจะมีทุกข์กี่กู ถ้าเป็นผู้ชรา่อนนั้นโอมันไม่มีอะไรเยมันมีตระบบประสาทอีกกลุ่มหนึ่งที่นายนี่มันมีมีัเือนเรไประบบประสาทมันต้องรู้สึกอย่างนั้นมันรู้สึกอย่างอื่นได้แล้วเราม่าดกาความเจ็บอย่างนี้ม็นิ่ดีมันไม่มีตัวกูไม่มีนิ้วของกูไม่มีนิ้วไม่มีมีดจะทำาปอ่านี้ว่ากลุ่มหนึ่งมันแทรกเข้าไปในระหว่างกระถ่าระบบประสาทที่ตรงนั้นระบบประสาทที่ตรงนั้นก็ต้องรู้สึกอย่างนั้นแล้วมา่นือนนั่นเองเฉือนนั่นเองก็เลยไม่เจ็บ้ํา เกลียวเกลียวบางน้อยก็จะตายแมันเกลียวูมกูมันจะตายจะเป็นลมนี่ก็เห็นเด็กคนกวกัน อ, นอน่อนโง่มากนะูกน้ำเกียวมันเป็นมมันจะตายแค่เนน้าเกลียวนี่วกูมันัดมากเกินไป <c oughs> อา้าวทีนี้พ อ, พ อ, พอมันว น, นที่ว่าถ้ามันมีความรู้สึกเป็นทุกข์แล้ต้องมีความรู้สึกว่า ก, กูหรือของกูสมูในนั้นเสมอไป ย, ยกัอย่างมาตีอย่างก็ได้นั่นคือความทุกข์ความทุกข์รู้จักความทุกข์เป็นสิ่งแรกที่จะต้องรูจ้จักในการที่จะศึกษ า, าเพื่อรู้พู่ตศาสนาหรือจะปฏิบัติคู่ ที่ดูให้มันกว้างอไปนิดตดีวจะเข้าใจดีขึ้นจะดูในส่วนที่เรียกว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดทุกข์มูลเหตุดยตรงมูลเหตุดยอ้อมหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดทุกข์นันมีอยู่นะขอต้นใจนะถ้าเข้าใจเ่องนี้ดีแลจะใจเรืทุกข์ในดีขึ้นดีมากทีเดียวดีมากเพราที่จะทางกลับทุกข์ได้ปัจจัยที่ทาให้เกิดทุกข์ทุกอย่างที่ตามมาแล้วก็มาที่นี่นะมันมีปัจจัยมันจกมีที่เรื่เกิดขึ้นโรยเฉพาะปัญหาอุปาทานจะมีพันยาอยากอยากขึ้นที่สุดแล้วมันจะเก ความรู้สึกว่าคูผู้อยากเกิดตั้เกิดมาจากความอยากถ้าไม่มีความอยากเกิดไม่ได้ทีความอยากเกิดจากควมโง่ใช่ไหมว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรสิ่งนั้นอะไรในรูปเป็นอวิชาเป็นยากยาแสุดชีวิตจิตใ้อยากยากแรงจะขาดยถ้าอยากมนดนี้แล้วความรู้สึกว่าตัวคู่ตัวคู่มันต้อเกิดขึ้นเองมันไม่ตรงมาจากไ้นตัวคูผู้อยากเกิดขึ้นก็มีความอยากรุนแรงความโง่ันั้นก็รุงนตัวคูผู้อยากขึ้นมาตัวคู่เกิดมาจากความอยากคู่อยากเกิดมาจากความอยากผููอยากตัวติมมิได้นี่เกิดเป็นเรี่องความพิจิตรเกิดขึ้นเพราะอา ทุกเกิดขึ like or, i, ้นเพาไม่มีความรู้เรื่องนี้ไม่มีความรู้เรื่องนี้ดัางทุกเกิดมาอย่างนั้นไม่ไมีความรู้เรื่องนี้มันไม่มีความทุกข์ไงีรู้มีความรู้เรื่องนี้อยู่บ้างหรือหรืออยู่พารู้เกิดแต่มันมีสติไม่พอมันก็ลึกไม่ทันมันเรียนเ่อเป็นเวรแต่ก็เกิดเรื่องแต่จริงสติไม่ไม่พอไม่ได้ลกมาได้ทันไอ้สติมันเมันต้อมัช่วยมันมีความรู้แต่สติก็ลึกออกมาไม่ทันมันช่วยไม่ทันอย่งนี้เขไม่อยู่แต่เราเวลาเราคิดอยู่เดียมันเป็นทุกข์เสร็จ มันกำจิตันเดินในทางที่จะลัดออกไปจา ก, กอของูมันคิไม่ได้ี่มันก็เป็นทุกข์ตัวรมาทานพตัวกูของคูคคเสีแต่รอเวลาเ็ก็เป็นทุกข์ั น, นีความดุจยุกมาจากสิ่งภายนอกมากมายมากมายเรือทนนะความดุจยูกทางตาทางหูทา ง, าทา ง, ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีมความยุมากเกินางสามารถของคนคนนั้นมันจะรู้ท่ารู้พันมันก็เป็นทุกข์ทีนิสันนยของมันมังแต่ออดแต่ออกมันเป็นธาตุานแลวกันละพูดสุภาพหน่อยต่วามันเป็นธาตุต้าหูจมูกลิ้นกายใจบูชาความอริยะตอก มันมีนสัฉันนี่นต้องเป็นทุกข์ช่วยไม่ได้คิด <c oughs> ดูดีมันไม่มีสติเครื่องเหนียวร่งไม่มีสติชัญนะเพื่อนต่อสู้สติสัมนปชัญะไม่พอมันก็เป็นทุกข์ <c oughs> มันมีอนุสัยความเคยชินแห่งกิเลสเก็บไว้ในใจมากความเคยชินแห่งกิเลสเก็บไว้ในใจมากเป็นอนุสัยอันนี้มันก็ง่ายที่สุดที่จะออกมาเป็นความทุกข์หรือว่ามันมีอาสวะปากแขงเพราะอนุสัยเก็บไว้มากที่เก็บไว้มากความดันออกมันก็มีมากความน่าใสตุ้มมากมากความดันออกทางรูเล็กๆมันก็มีมากใน แต่ความคยชินเฉี่ยวามากสัก็มีมากแต่าาวาก็มีมากที่เมเป็นทุกข์หรือว่ามันขี้ระแวงชอบระแวงความโง่ทำให้เกิดความระแวงเกิเกนพอดีเมื่ต้องเป็นรรรทุกข์ก็ต้องไม่ดีเรื่องอะไรมันก็ระแวงในทุกข์มาจนได้หรือว่าเป็นคนโง่ยึดหลักว่าชีวิตนี้อยู่ในความหวังแตมีความหวังเรื่แต่หวังสุขสันต์แต่เล็อยู่ในความหวังมันก็ต้องเป็นทุกข์ทรมานดยความหวังไม่ต้องหวังดีกว่าทาไปตามที่ควรจะทาไม่ต้องหวังก็ได้ผนไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ ง่ลงยึดถือความหมายของเป็นคู่คู่รช่วยเือบุญบาปเรืสืทุ์เือพชนะได้เกงายึดถือเป็นคู่คู่มากเกินไปไม่เห็นว่าเช่นนั้นเองก็ต้องเป็นทุกคนในโลกทั้งหมดจะทั้งหมดว่าได้ในปัจจุบันนี้ยึดถือในฝ่ายบวกยึดถือในฝ่ายได้ฝ่ายบวกฝ่ายโพสิทมากเกินไปมันโง่อยู่เรื่องจะได้ฝ่ายที่รักอยใจยึดถืออย่างนี้มากก็ต้องเป็นทุกตลอดเวลาไม่มีทางช่วยได้อี่สุดมันก็ไม่รู้ มันมีความเห็นเป็นวิจฉาพิกิตร์มันผิดจากสมาพิจิตผิดจากคารของรมชาติกกฎของธรชาติเช่นกฎอิทัตาเป็นต้นนี่มันเป็นิจาติิมันต้องเป็นทุกไม่มีใครช่วยได้สรุปภายว่าพรามันมีการศึกษามาหางด้วยมันถูกด่ามากแล้วในการพูดมาหางด้วยนี่ก็ต้องคาด่พาเขาด่ามากแล้วเขาด่านจนม่รู้จะด่าอย่างไรว่าธรรมชาติถึงอยากมาการศึกษามาหางด้วยพวกกัะทรวงศึกษาธิการกมากกว่าผู้อื่นเราคุกันาในโลกนี้มันมแต่กากษามาง แต่ไม่รู้่าเกิดมาทาไมทำอย่างไรถึงจะไม่เป็นทุกข์นี่เรการศึกษามหาลือนรู้แต่นักึกษาื่อวิชาชีพไม่รู้เรื่องว่าทาอย่างไรถึงจะไม่เป็นทุกข์เพราะนี่มันเรียนอาชีพมาดีมากๆมาพอถ้ามันยังโง่มันจะมีความทุกข์ตลอดเวลาที่มันประกอบอาชีพมันประกอบอาชีพด้วกความโง่ด้วยความหวังด้วความทะเยัทะยานนั่นไม่ได้ทำด้วยจิตที่สงบในความร่วมก็ช่วยไม่ได้เมื่อถึงเป็นทุกข์าวิชาชีพพิเศษมากๆเลดเนี่ยก็ให้เข้าใจกันว่าอย่างน้ทุกคนเลยทุกคนเลทน เมื่อทำการงานมะเนจัเงินอะไรพยายามเรอะไรทมีสมมาแล้วไเป็นทุกข์ได้ผลบางที่ต้องการก็ดีมไม่ึงไม่ได้ผลบางั้งวันเขาก็ไม่เสียใจไม่เป็นทุกข์รช่วยเราไม่ใช่ทำเป็นทุกข์ในเมื่อจะทาการงานถ้ามีฉะนั้นจะทำเป็นทุกข์ไม่มากก็น้อยทําันเลยมีมาตรันควบคุมการำงานแล้วมันจะอำเป็นทุกข์อย่างมากก็ะมันเหนื่อยเราะมนไม่ด้ทันบันใจหรือามกไปก็ธรรมชาติบินฟ้าอากาศไม่อนวยมีภูเแข่งกันมีัตรูมีอันธพาลค็ยรักคอยขโมยนี่ก่เป็นทุกข์หมดแต่ถ้า อยู่อย่างนี้ธรรมะจะช่วยแก้ได้อย่างนี้รู้จักความทุกข์เป็นข้อแรกล้รู้จักปัจจัยแห่งความทุกข์ทางมาแห่งความทุกข์ไม่เพียงพอที่เราเรียกว่าเรื่องของความทุกข์รู้จัก i, เรื่อของความทุกข์ให้เต็นที่เลยแล้วมันจะเห็นเหตุให้เกิดทุกข์กปัจัยเป็นทุกข์นี้ได้ง่าย <c oughs> มัวแต่ชอบอย่างเดียวโดยไม่รู้ความหมายนั้นไม่เห็นว่าจะชอาอันจังทุกกรั้นลาจนจะทำอะไรก็ร้หลายนันก็ไม่เห็นความทุกข์นันต้องเห็นตวจกินของมันจะจริกตัวจริงของมั น, จจกกนว่ามันเป็นอย่างไร ทำไมมันเกิดเกิดความทุกข์นิดเดียวเกิดการทุกข์เพรมนมีความรู้สึกเป็นตัวผู้ของกู้ขึ้นมาในสิ่ง น, นั้นนั่นเขาอะไรเป็นนั่นวะเราก็รู้ใจความทุกข์ส่วนหนึ่งของความทุกข์คือปัจจัยของความทุกข์กิเลสอ า, อ า, ก, า ก, การของความทุกข์ปรากฏการณ์ของความทุกข์นี่เราไปรู้ทีนี้ข้อต่อไปก็จะให้รู้ว่าความทุกข์หรือความสุขกระตามมีได้เกิดาจากกรรมเก่าหรือการบันดาลของพระพระเป็นเจ้าคราวนี้มันเป็นคนไปพูดตามพระบาลีนักบุก็กลับมาให้ตุวไม่ได้มาไม่ได้เกิดเพา ก, กรรมเก่า มืนก็ทําทำผิดหรืทำถูกตรอเกาอิทปตาที่ดีเดียวนี้ถ้าทาผิดมันเกิดเรื่อทถูกม่เกิดอนเราสามารถที่จะไม่ึกถึเก่าไม่ต้องนึกถึงกเก่าทำให้ถูกไม่เกิดมกาทุกเกิดไม่ได้มีแต่การสุนั่นกว่าอิสระนิมมานะเทตุการทุกไม่ได้เกิดเพรากัรเสกสันของอิสุนอิสระอิสระคนั้นภาษาบาลีภาาัสกีเรียว่าอิสุนในความหมายว่าพระเจ้าเป็นเจ้านิมานะคือการบรราลเกิดจากการดบางของอีสนคือพระเจ้า แต่มันเป็น เ, เราิรืถูกต่อกฎของราชาติ่นกฎทิเตาถ้าเราทำถูกต่อกฎอิทธิบเตาให้อิสุอพระเจ้ามาเป็นฟุ้งๆก็ทำใเราเป็นทุกข์ไม่ได้ก็อย่างนี้จริงๆมันไม่ใช่เพราการบังคับบรรดาลึกนัยของพเป็นเจ้ามีือ่า้าะ เ, เป็นเจ้าแกล้งโปรดเราทีเราได้เราเป็นทุกข์เราตอนรับในการปฏิบัติถูกามกดของอิทธิาตารก็ไม่เป็นทุกข์ท่นจึงไม่ถือว่าฉุกทุกข์นี้มาจากการบัดาลของอิสุนหรือของพระเป็นเจ้าแต่เดี๋ยวนี้แม้บระปฏิบัตินี่เราเข้าใจว่าเ เป็นผลของการทำผิดหือทำถูกต่อกบพิธาพิธีาแต่คนเรามันเชื่อกันเก่ากันเก่าเเลยไม่ต่อสู้ไม่ดิ้นรนไม่ต่อสู้ไม่แตกไักันก็เชื่อดแล้วมันต้องเป็นไปตามกรรมก่นี่เป็นความเข้าใจผิดต้องเป็นบริษัทแม้ในปัจจุบันซึ่งมีอยู่มากขึ้นาครดิ้หลังคารถูกต้องตั้งกฎข้อตรว่า่เราเวลาจะไม่มีทุกจะไม่ทำจะไม่มีทุกเขาไม่มีทุกเขาแล้วอยากสู้กันแลยจะทำให้งงกันมาอีกเลยไปล้มในเรื่องสุดมันงเกันมาอีกเลยสุดแต่ไกลมันทุกมาก ประและทุกข์ไม่ใช่เป็นการเสกสรรบรรดาลของพระเจ้าคืออิสุวนี่เราต้องรู้ว่าเกี่ยวความทุกข์ไม่รู้ว่าสและทุกข์นี้ไม่ใช่ไม่มีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยซึ่งเป็นกฎเกณฑที่จะทาให้เกิดขึ้นคือว่าเป็นทําไม่มีทุกข์หรือเป็นทุกข์แต่ถ้าอยากเป็นทุกข์ก็ทำามกฎเกณฑฝ่ายหนเป็นทุกข์ถ้าไม่อยากมีทุกข์ก็ทำตากฎเกณฑ์ฝ่ายหนึ่งเปมีทุกข์นั่นคือกฎของอิทาปัจจิตาอิท้าปัจจิตาเป็นกฎของคามทุกข์และการดับทุ เมื่อปอทพระพรองคมาอีทัพพจจิตาฝ่ายที่เกิดทุกข์ว่าอย่างสมบูรณ์แล้ ว, วที่ไม่เกิดทุกข์ว่าอย่างสมบูรณ์นั่นจึงควรจะรู้เรื่องอีทปัจจตาพอสมควรไม่ใช่รู้แต่เพียงท่องได้แต่ทําให้รู้ความจรงิงที่ส่วนอทัพพจจตาตปานั้นื่อก็มัน ม, มันเป็นการรู้ขั้นพนนโยซือแต่คนรจะรู้ขึ้นไปถึงความจริงว่ามันเป็นอย่างไรก็เลยถือว่าพูดเรื่องอีทัพปัจจตาฝ่ายเกิดทุกข์เละอีทัพป็นสิตาฝ่ายกับทุกข นันถ้ากราบโดยคทั่วไปอะไรก็ได้ก็เรียกว่าอิปฏิจจาแต่ถ้ากราเฉพาะเรื่องของมนุษย์หรือการสุกการทุกข์ที่เกิดอยู่กับมนุษย์นเรียกันว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทน่ะในวงจำกัดในวงจากัดอยู่เรื่องของมนุษย์ทุกข์ระดับทุกข์เรื่องจเป็นัาปฏิจจตาอะไรก็ได้ไม่มีชีวิตีวาก็ได้หอน้นีก็ได้เป็นอิทาตได้อย่างเรานิ่มเรียกกันว่าอิปฏิจจตาก็คือให้มันกินความมุกทุกอย่างก็ไม่มีกวามอะไรื่องงคน เดี๋ยวนี้มันพูดเรื่องของคนพูดว่าในรูปของกติกาสมุบาติเราอีธรรมชาติพื้นฐานอยู่ที่นามรูปนามรูปชีวิตคือนามรูปปานใจเนี่ยมันมีระบบของมันครบถทวนอยู่ในตัวมันเฉันว่ามันมีอวิชชาพลาดที่พร้อมจะเข้ามาครอบงาจิตใจอวิชชาเมื่อพระพามีรู้ตามที่เป็นจริงพระธามจึเกิดสังขารคืออํานาจการปรุงแต่งอะไรขึ้นมาทำให้มันรู้จริงเพนมาเสียเวลาตรงแต่งใหยุ่มแล้วก็มันไม่รู้มันจึงปรงแต่งที่จะเกิดเป็นความผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอะไรผิดๆกันมามันจะไปเอาะไรวิญญา าทางธรรมชาติมาเป็นวิญญาณตาหูจมู่ลิ้นกาใจฉนมีวิญญาณตาหูจหมูกลิ้นกาใจเปรียกับร่างกายนี้มนีครับส่วนที่เป็นกาก็เป็นกาส่วนที่เป็นจิตก็เเป็นจิตกายใจมนมีความส่วนกายส่วนใจก็เรียกว่ามีเครื่องติดต่อครบตวนิตาหูจกมูกลิ้นกาใจในนั้นทุกส่วนมีส่วนที่เป็นใจคอยทหน้าที่ตาหูจกมูลิ้นกาใจก็มีอานิจะหลานี้มันสามารถที่เคยเวทนาเป็นูเป็นทุกเป็นทุกเปนสุขมันเิดเป็นาไา้อย่างนี้โดยหลักพื้นฐานมองกันกันเปลี่ยนคนี้ก่อนก็ได้ นี aroma, ่การโดยหลักทั่วไปเป็นอย่างนี้แต่การโดยหลักที่เห็นชัดๆตรงๆก็จะต้องพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเพราะไดอาศัยตาที่มอยู่ขางในกับรูปที่มีอยู่ข้างนอกมัถึงกันข้าก็เกิดการเห็นทางตาคือจักษุวิญญาณตาที่อยู่ข้างในนี่เป็นรูปขันภายในเป็รูปเหลนข้างนอกเป็นรูปขันภายนอกรูปขันภายในและภายนอกถึงกันเข้าเมื่อใดเกิดการเห็นทางตซึ่งเรียกว่าจักษุวิญญาณนั่นพราะมีการเห็นทางตาคือการเห็นทางตาให้รู้ว่าถือว่ามันมีรูปขันภายในและรูปขันภายนอกไปเกิดขึ้นแล้วคำหน้าที่แล้วก็ เนือสามอย่างนี่กือตากับรูปกับปัญ ญ, ญ, ญ, ญาทำงานอยู่ด้วยกัน น, นี่ก็จะเรียกว่าปัจาะปัตจะเรามีปัจจาดูตอเวลาเห็ น, นแต่เราก็ไม่รู้สึกปัตจาทางตาตากับรูปกับการเห็นทางตาัจาทางหูหูเสียงการได้ยินทางหูภัจาทางจมูกจมูกกับปีนการรู้จักกลิ่นทางลิ้นมีลิ้นข้างกรสข้าง น, นอกก็เกิดปัญ ญ, ญาทางลิ้นมีคิ้วหนันงเมาสัมผัสคิ้วหนังก็เกิดปัญญาทางคิ้วหนังมีจิตใจไปสัมผัสกับเขาปิใจก็เกิดความรู้สึกทางจ มีอยู่ตลอดเวลามีอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นธรรมชาติอย่างนั้นยังไม่เกิด ค, า ค, ว, าคาวามทุกข์เกิดอกนกวาเกิดังเมื่อวันมันเป็นตัวปูถึงจะมีารทุกข์การที่เรามีตาหูจมูกินญาใจอยู่ขางในมีรูปเสียงสิ่ัตรมะอยู่ข้างนอกซึงทอะไาาารเรกิดิาณขันธ์ทงานรุนแรนอยู่ในััสสแลว้วก็เกิดเวทานาขันนี่เรียกว่าระบบพื้นฐานของธรรมชาติธรรมดามีอยู่ตลอดเวลามีอยู่ตลอดเวลาระบบพื้นฐานของธรรมชาติตามธรรมดามีอยู่ตลอดเวลาอยู่อย่างนี้นี่ขึ้นแรกของสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมปัจ พอมาถึงเวทนามันก็จะยังมีการรู้สึกต่อเวทนาโดยมโนิญญาอีกเป็นด้าจะเกิดสัญญามันหมายเป็นเวทนาอย่างนั้นเวทนาอย่างนี้เวทนาจากอะไรเวทนาจากผู้งเวทนาจากผู้ชา่เปสัญญาอย่างนี้รวมอยู่ในมเวทนานี่พ้ามันมีความรู้สึกมันหมายอย่างนี้มันจะเกิดตัญหาเวทนาปัจจยาญาาะเวทนาเป็นปัจจยเกิดัญหาความยากไปตามสมควรกัเวทนานั้นแล้วแต่ว่าจิตของผู้นั้นได้มีสัญญาลงไปในเวทนานั้นอย่างไรมันจะเกิดความอยากเป็นใทางการมาปัญหาภาวะปัญหาวิาวัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง นี่ไปทนายเกิดปัญหาเนี่ยอิเรุดแล้วระบบอิเลตตั้งแต่ปัญหาเป็นถึงอุปาทานจนถึงพบจนถึงชาติอุปาทานน่ยมันจากปัญหามีความยากมากแล้วจะปรุงเป็นความรู้สึกกูผู้อยากขึ้นมาเองตามธรรมชาตินันวนเป็นู้อยาไม่ตัวจริงไม่มีจริงเป็นตัวของพรุงขึ้นมาเยชาชูาดเื่อยคเป็นเ้ืยรืยปอยเรื่กูผู้อยากกูผู้ต้องการเเมื่อตัวกูผู้เห็นกูผูได้ฟังกูผู้ได้ดมกูผู้ผูได้ิมันก็ต่าเิดเนมันก็เกิดเป็น มีพบความเป็นความเป็นแห่งตัวกูเกิด ข, ขึ้นแล้วก็มีชาติในตักวกูที่สแสดงบันดาทออกมาเต็มที่ในประชาติไม่มันได้มาที่ชาติโดยจากพ่ อ, ชช อ, อแม่ชาติไปจากพ่อแม่ตั้งแต่แรกมัน ม, มีปัญหาแล้วเป็นชาติอุปาการ์ความโงนน่จะมีอยู่เรืเร isis, alike, ่อยๆไปเดี๋ยวเกิตัวกูอย่างนั้นเกิดตัวกูอย่างนี้อดี๋ยวเกิดตัวกูอย่างนั้นทุกนดเรียกว่าชาติมันมีชาติอย่างนี้เลยทุกวันทุกวันคิดอย่างไรก็เป็นชาติอย่างนั้นคิดอย่างถูกอย่างนี้ก็เป็นดีอย่างชั่วเป็นชั่วคิดอย่างเทวดา คิดอย่างเศรษฐีเป็นเศรียงท้ทางเป็นท้ทางคิ่คนดีเป็นคนดีชาติดีคิดอย่างคนช่ quier, เป็นชาติช่วปัญหาเหมือนการขาพันธ์ผูกาาเหมือการตั้งขันพบเมือการแก่ชาติ่ชาตรอดเนี่ยโดยอุปมาเป็นอย่างนี้จริงๆก็ทุกข์มีตัวคอย่างมอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกตั้งเป็นทุกข์นเรื่องทีความาได้บางต้นได้อย่าง <screen medal. S 1> าต้องการก็โง่ก็หลงมันยึดมั่นถือมันหัวแข็งยิ่ดียิ่งรากยิ่งรากยิ่งคนทุกข์ไม่มีจริงๆแี่ความทุ ยี่มีตัวปูมากเาไรแล้วยงตัวความเกิดแจตามกขึ้นนั่เป็นทุกข์มานนะมูลเหตุที่ทำให้มีโศกคาเปเทวะทุกขะทุนันป็าทุกขา ม, าามากขึ้นตาม น, นั้นนี่ก็นําให้วังมากนะหรอไม่ก็ปีนล้นมากลองกระตกกระของรักถ้าเขาไม่รักเราิดว่ากของรักมันม็มากขึ้นมูหเหตุนี้ระชาตินีก็เลยเนนั้นว่าสรูปความได้ว่ามันมีความยึดมั่นใอภาธาะ่ะมาตัวตนในเบญจคกนธ์ันใด ค, คันหนึ่งโลกทั้งโลกสรุปอยู่ใน ที่นี่ฝ่ายตรงกันข้ามพอมีภัสะตาหูจมูกไดกนอมีภัสละสติมารันอไปอัญญาที่เรียนรู้เ่าการรูกามมามันก็มีเกิดเวทนาโง่ที่เราให้เป็นสุเป็นทุกข์ทุกขมาสุไ ม, มีเวทนาโง่ ก, ก็ไม่เกิดัหาไม่เกิดกัณหาก็ไม่เกิดรูปาาไม่เกิดเพรเกิดชาติอย่างที่ว่านั้แล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์นี่คือปฏิเจสมุบาหรืออทปัาา ท, ที่ไม่ตงเป็นทุกข์ถ้าเป็นอย่างที่ว่านัแล้วสมรดันก็ต้องเป็นทุกข์จึงมีกฎเกณฑ์ เพราะนั่นคือความทุกข์ได้ลังก็เป็นความทุกข์เราหลงรับช่วจะอวิบัติรัรับได้อร่อยสนุกนสนุกนาได้ยิงโมยิ่งโมยิ่งืดมันถือมันก็ต้องเป็นทุกข์นั่นการบวกกันได้มาเป็นบวกแล้วเผื่ความทุกข์ได้มาเป็นลบก็เป็นตัวความทุกข์นี่เราจึงต้องการแตอยูเนื้อนั่นเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกขคำสอนในคติธรม่ิเหรอ้รกที่พรด้าขันอาดมกับอี้อยากินผลม้ที่ทำให้รู้จักรีชั่ ในนละไมรจกชั่ววบากคู่กันข้าวทุกคู่เนี่ยเราจะเป็นทุกข์พุทธศาสนาจะสออย่างนี้จารยมันจะมีก็กล้าเดียวกันคือว่ามองเห็นมาตือมันนู่นแล้วว่าดีและชั่วเลยนเป็นเหตนยิบมถือมันแล้วก็เป็นทุกข์อย่าไปเอามันยูเนื้อมันเสียหรืออยู่ระหว่างกลางไม่ดีมันชั่วอย่าไปเอาบวกไปเอาลบเอเนื้อบวกเนื้อลบหรือระหว่างบวกระหว่างลบปล่อยเร่อไปเรื่เ่อมดุระหว่างบวกัะหวางลบรืออยู่นระบบขอกันโลกแต่คนในโลกทั้งโลกยังบู บกเป็นทุกข์กเป็นทุกข์ั้อยู้แล้วไอทุกข์ทั้งหลายมาจากความยึดถือในบวกและในลบหารู้อย่างนี้พอเพียงมาทีเดียวคนนั้นรู้เรื่องความทุกข์ดีที่สุดเลยหารู้าทั้งบวกและทั้งลบเป็นมูลเหตุแห่งความทุกข์กแปลวาคนนั้นรู้เรื่องความทุกข์ดีที่สุดถ้จะเข้าถูอที่ว่ารู้เรื่องเบื้องต้นที่สุดก็คือรู้เรื่องความทุกข์รู้เรื่องความทุกข์มากพอที่จะเป็นจุดมั่งสนของการศึกษาหรืการปฏิบัติหรืพุูดศาสนาถ้าไม่รู้เรื่องความทุกข์ ุ้คือยึมันถือมันไม่ว่าฝ่ายบวกหรือว่าฝ่ายลบพูดให้ใหง่ายๆนั้ะดีช่วยเนี่ยบวกลบบุบาปบวกลบสุขทุกบวกลบได้เสียบวกลบแพน้นะบวกลบเป็นคู่ๆน่เป็นคู่ระหวงบวกกับลบแค่นั้นถ้าไปเอาเข้าส่วนใดส่วนหนึ่งนัต้องเป็นพุกขดยแนนอนนี่เป็ น, น, นรื่องเรื่นคของทุกข์ ก, ก, กันอย่างนี่สิให้ถึงขนาดอย่างนี้รู่เรื่นความทุกข์ให้แต่แต่อย่างนี้ยิงแต่เพียงพอสาหรับมาลูกคลังพระพุทธศาสนาต่อไปเพื่อการเอาชนะความทุกข์อยู่เหนือความทุกข <c oughs> ซึ่งมันเป็นจริงสุดในตัวมันเองทําอย่างนี้จะเกิดผลอย่างนี้เป็นเรื่องของปฏิปีนะครับขกิริยาและปฏิกิริยามีกิริยาอะไรอย่างนี้ก็มีปฏิกิริยาอย่างนี้ก็ไดว่าทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรนอกจากกระแสของกิริยาและปฏิกิริยาเรื่องมาทั้งหมดนี้มันเป็นกระแสแห่งกิริยาและปฏิกิริยาเท่านั้นเองว่าไม่มีตัวกูของคู่ยิ่งรู้วิจารณาสตร์มาทำลายแต่ริพัฒนายังนี้ไลยโดยง่ายทังปีท่าปฏิยาทั้งกระแสแห่งกิริยาและปฏิกิริยากระแสแห่งเหตุและแห่งผลยังจะกระจาได้โดยง่าย แลก็เลือกใจวิธีป้องกันมันก็จะมีสติสมิชน ญ, ญานัได้ยิ่งให้ขณะที่มีการกระทบทางอานและตัณหาเป็นภูมิภูมิไปเป็นสิ่งที่สามาปฏิบัติได้ไม่หรือวิสัยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกสิ่งภายในก็พอแล้วมันคือมีรูปเวทนาตัณญาตาณกลางวิญญาณซึ่งในนั้นมันมีอะไรเพียงพอที่จะจัดการอย่างรลุ่มลอแล้วก็ต้องไม่เกิดทุกข์วิธีปฏิบัติก็ ว, วางไว้ให้ง่ายๆให้มีคติให้มีปัญญาหรือสติสติ ม, มีญาณอุปสรรคแม้จะไม่เรียนทั้งหมดอย่างที่ว่ามานนีีไม่เรยร ด, ดัต ไม่เรียนหมดอย่ที่ว่าม น, นี้เราจะเรียนถึกหนานีปฏิบัติอย่างไรควทุกข์เกิดไม่ได้ก็ดูพอแล้วแต่มันสาคัญอยู่ว่าต้รู้จากความทุกข์เสียก่อนเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้ในเหลือปิสัยไม่ต้องอาศัายสิ่งภายนอกสิ่งภายในยก็พอแล้วมันคือมีรูปเวทนาตัญญาทางการวิญญาณซึ่งใ่นั้นมีอะไรเพียงพอที่จะจัดการอย่างไรลงไปแล้วก็ต้องไม่เกิดทุกข์พิธีปฏิบัติวาันว่าให้ง่ายให้มีปัจจะให้มีบรริญญาสติสติปัญญาไม่ขาดแม้จะไม่เรียนทัดก ไม่เรีหมดแต่พี่ว่ามันนี่แต่เราจะเรียนถึงการปฏิบัติอย่างไรการทุกเกิดไม่ได้ก็ดูจะพอแล้วแต่มันทันทัญอยู่ที่ว่าต้องรู้จักความทุกข์เสียก่อนสิ่งแรกหรือเรื่องแรกที่ต้องรู้จําเป็นต้องรู้นั่นคือเรื่องความทุกข์นั่นเองนี่ก็รู้เรื่องความทุกข์เป็นสิ่งแรกแล้วก็จะดําเนินไปได้ตามลําดับสามารถเอาชนะควารทุกข์ได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่คือเรื่องแรกที่จะมาเขาํามากล่าวในชุดนี่ธรรมาชุดนี้คือชุดคู่มือที่ทุกคนจําเป็นจะต้องรู้จะต้องมีนี่เป็นเรื่องแรกกันเป็นใจความสันว่า สิ่งแรกที่ต้องรู้จักคือความทุกข์เพราะฉั้นทั้งหลายรู้จักความทุกข์และการศึกษาและการปฏิบัติของท่านทั้งหลายก็จะก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้าอย่างถูกต้องอยืองเป็นที่พอใจมิฉะนั้นจะทางร่วมเทียม่ยวเทียมยิ่งกว่าเตานี่ก็จะวนไปวนมาแล้วไม่มีทางออกขอสัญญาณเรื่ทุกข์เป็นเรื่องแรกการบรรยายเรืนแรกว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้จักก่อนมีอยู่แบบนี้แล้วเราขอต้องควรแต่เวลาสำหรับบรรยายคือเป็นหลักเกณฑ์เป็นข้าวเงื่อนในบื้ต้นโดยรายละเอียดจะพูดต่อทได้ ตอนนีมันก็ไม่ใช่น่ามันก็คุยชมวงกายมันก็พอที่ะเข้าใจรู้จักสิ่งที่เรื่องไว้ปุ๊บกันมั่งแล้วนี่ต้องขอยุตการบรรยายวันนี้นเป็นโอกาสให้พระบุญเจ้าทั้งหลายสวดบทธรรมะคณะสาธยายให้เกิดกำลังใจในการที่จะศึกษาและปฏิบัติให้การหนั่งยืนยืนไปซื้อกระเป่าไปนะักการศรึัษานี่